ตอนบรรยายธรรมในวันมาคาบูชาวัวนที่สี่มีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดกรมนสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณไม่ชีกัลยาจมิต ท, ทุกคนก็นั่งสบายๆนะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญทางาศาสนาแล้วก็เป็นบุญกุศลพวกเราซึ่งครูบาอาจารย์ ท่านทุดงมาเยี่ยมเรานะคือพระอาจารย์ประสงค์เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกนะแต่ท่านทุ่มเทชีวิตท่านจันโลงศาสนามาตลอดนะท่านเคยไปพำนักอยู่ที่อเมริกาไปเป็นเจ้าวาดที่ชิคาโกอยู่สิบสิบสองปีหรือสิบสี่ปีพระครูจำไม่ได้ ท่านมีประสบการณ์เยอะเมื่อสักครู่เนี่ยท่านไม่ได้เทศท่านมาแสดงธรรมแดนแห่งวิบุธห้าสถานคือหนึ่งการฟังธรรมสการสาการแสดงธรรมสาการสายทยายธรรม 4. การตึกตองพิจารณาธรรมหการทํากรรมฐานเมื่อสักครู่ที่ท่านแสดงนั้นเนี่ยหอย่างนี้อยู่ในนั้นหมด ท่านบอกฮะโหลดึงสติเรามาตลอดต้องอยู่ในกรรมฐานในการฟังนะแล้วก็จิตท่านมีเมตตาท่านพยายามจะสแสวงหา อ, อ, อะไรที่เห็นเป็นรูปธปรรมนะเพราะคนทุกวันนี้เนี่ยไม่มีเวลาเราไปแสดงธรรมเป็นภาษาบาลีเป็นอะไรลึกๆซึ้งๆนั่นมันมันมันไม่เข้าใจนะ ท่านเนื่องจากความเมตตาของท่านเนี่ยท่านพยายามจะสแสวงหาอุบายวิธีต่างๆนะเพื่อนำเสนอนะก็ปัจจุบันนี้ท่านอุตส่าห์มาเยี่ยมเราก็เป็นบุญของพวกเราเนียนะแล้ววันที่แปดนี้ท่านต้องไปบรรยายธรรมที่กรุงเทพเป็นงานใหญ่คนสี่พันหะ้าร้อยคนนะก็พวครูก็ถือว่าเป็นบุญมีโอกาสได้สนทนาธรรมกับท่าน เมื่อสักครู่นี้พวอกูก่อนจะมาศูนย์เนี่ยก็ดูข่าวมีองค์กรที่เขาทำโปรทำในกลุ่มของพุทธศาสนิกชนเรา65เอร์เซ็นตะนะไม่รู้คำว่าวันมาคะคืออะไร35เปอร์เซ็นพอรู้นะ แต่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ว่ารู้แล้วปฏิบัติจริงๆวันนี้ทุกปีเราไม่ละเลยนะพวกเราไม่ติดรูปแบบอะไรมากมายแต่เราไม่ทำลายสมุติบัญญัติสมมุติบัญญัติประเพณีวัฒนธรรมที่สวยๆงามๆเราก็รักษาไว้เราเป็นพุทธศาสนิกชนแม้กระทั่งไปอยู่ในป่าไปอยู่ในเขาคนเดียวเราก็ดำรงสิ่งนี้ไว้เนะสมอต้นเสมอปลาย ถ้าพูดถึงมาคบูชาบางคนอ่านหนังสือออกแล้วก็รู้แล้วนะแต่มันเข้าใจมันไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้เหมือนทุกวันนี้เรารู้ทั้งรู้ว่าผู้เจ้าสอนเราบอกว่าตัวตันหาคือที่มาของทุกขคือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคอะไรคือตัวทุกขอะไรคือเหตุแห่งทุกขอะไรคือความดับทุกขอะไรคือหนทางไปสู่การพ้นทุกทุกคนรู้หมดโดยเฉพาะตันหาคือที่มาของทุก เรารู้ใช่เรารู้แต่ชีวิตเราก็สนองตัญหาตลอดเรารู้จริงไหมเราก็รู้เรารู้ว่าบั น, บนมาคะบูชาคืออะไรนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องวิชาการแล้วเนี่ยพวกครูพ่กแก้วก็อัดเทพไว้ตรงนี้นะมันก็ออกไปสู่ชาวโลกเขาเนี่ยถ้าเกี่ยวกับเรื่องสมบุญบัญญัติวิชาการแล้วเนี่ยเราพยายามอย่าไปทําลายนะก็ให้มันพูดอยู่ในกรอบ บังเอิญว่าวันมาฆ่าบูชานี่เป็นวันเกิดของศูนนะศูนย์เกิดวันมาฆ่าบูชานะทำไมเกิดวันมาฆ่าบูชาเพราะคูจำปีไม่ได้แล้วล่ะศึกษาที่การอําเภอศรินธร ต, ตอนนั้นน่ะเป็นโรคภูมิแพ้ก็มาปฏิบัติแล้วก็หายนะแพ้ฝุ่นแพ้อะไรแต่ตอนนั้นน่ะศูนย์ยังไม่ได้เปิดเลยนะไปอยู่ในไล่แหลมทอง พอครูกลับมาจากอเมริกาใหม่ๆเนี่ยเราก็ไปทําเกษตรเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อธุรกิจทํามาหากินไม่ใช่ทามาหาขายเราปฏิบัติทุกคืนนะเป็นวิถีเราแต่เราปฏิบัติอยู่ในกองฟางนะศึกษาอําเภอเนี่ยเขาเห็นเขาตกใจมากมาปฏิบัติแบบนี้เขาเป็นโรคภูมิแพ้นะบอกแพ้ก็ปฏิบัติไม่แพ้ก็ปฏิบัติพอกิ้งไปกิ้งมากิ้งอยู่กองฟาง ไม่กี่วันโรคภูมิแพ้เขาหายแล้วก็ปีนั้นเขามาเชิญพ่อครูให้เป็นเจ้าภาพบวชพระภิกษุถวายสมเด็จญาศูนย์นี้ต้องเรียกว่าอาศัยบา ร, รมีสมเด็จญาเกิดขึ้นเพราะปีนั้นน่ะข้าราชการใครบวชถวายสมเด็จญานั้นได้สองขั้นพ่อครูก็บอกเอาสินะคิดว่าคงไม่มีกี่รูปหลังจากประกาศออกไปแล้วเนี่ย มาภาวนาบวชหนึ่งรอสิบอลูกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเราก็ไปจัดพิธีบวชที่เจ้าคณะอำเภอศูนย์นี้ยังไม่เกิดขึ้นทีนี้ถามว่าบวชแล้วสิบ้าวันไปนั่งเฝ้าวัดเฉยๆนี่ไม่ได้อานิสงส์อะไรมากมายนะก็นะักคำก็บอกพระครูว่าที่นี่มีสำนักสงฆ์เก่าลางแล้วไม่มีถนนนะแล้วก็บุกเข้ามาดูพครูพค ร, พรูมาสัมผัสแผ่นดินนี้บอกใช่ละ เราก็เลยใช้เวลาสองอาทิตย์ขุดบ่อน้ำสร้างศาลานะเนรมิตขึ้นมาอย่างเร่งด่วนนะสร้างกุฏิเหล็กทุกวันนี้ยังอยู่เป็นสั ญ, ญลักษณ์อยู่นะนะที่ยกหามได้รู้สึกสิบหลังหรื อ, อยังไงนะก็เป็นวันที่บวชนั้นก็เป็นวันมาค้าบูชาบวชที่ชนามเพอแล้วเนี่ยเราก็นำพระภิกษุมาอยู่ที่นี่สิบห้าวัน กางกฎอยู่ในป่าหมดนะวนกุฏิเหล็กนั้นน่ะที่เราสร้างขึ้นมาบังเอิญครูบาอาจารย์พระภิกษุเดินทุดงมาจากสี่ภาคไม่ได้นัดหมายก็มาช่วยในงานนั้นสิบห้าวันนะพระภิกษุสีเหลืองอล า, ามไปบินทบาตในหมู่บ้านทุกคนน้ำตาร่วงน้ำตาไหลนะนี่แหละคำว่าไม่ได้นัดหมาย ตอนทมพิธโครงการนี้ขึ้นมาศูนย์นี้ยังไม่มีนั่นคือวันเกิดของศูนย์หลังจากงานนั้นเสร็จเราก็ดูแลศูนย์นั้นตลอดมานะก็ถึงพึ่งบา ร, รมีสมเด็จย่าเรานั่นแหละทีนี้วันมาฆบูชาเนี่ยเป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลสี่อย่าง คือข้อหนึ่งพระอรหันต์สาวกหสอรรูปมาประชุมพร้อมกันอันที่สองท่านเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุคือได้รับอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าสามท่านเหล่านั้นมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายสีวันที่ประชุมเป็นวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะหรือเดือนสาม เรียกวันมาคบูชาอีกอย่างหนึ่งว่าวันจาตุลงสันนิบาตแปลว่าเป็นที่ประชุมพร้อมกันแห่งองค์สี่อีกในหนึ่งเรียกวันมาคบูชาว่าเป็นวันแห่งพระธรรมตัวนี้สำคัญที่สุดเพราะพระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกตัวนี้พ่อกูต้องเน้นบ่อยๆนะเหมือนเรารู้วาตันหาคือที่มาของทุกนั่นแหละ แต่เราก็สนองตัญหากันเพราะเรากลัวว่าเราจะไม่ทุกข์สังเกตไหมคุณหมอมาที่นี่บางปฏิบัติเสร็จวิ่งเข้าไปในป่านั้นก็ไปสูบบุหรี่พราะครูถามว่าคุณหมอสอนคนไข้สูบไหมบอกไม่สูบบุหรี่ดีไหมไม่ดีคุณหมอสูบทําไมเห็นไหมความรู้ที่เราเรียนรู้ตั ว, วันนี้มันเข้าใจมันไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้เรารู้ทั้งรู้ว่าตัญหาคือที่มาของทุกทุกคนก็ชอบสนองมัน เห็นไหมวันมาฆบูชาเหมือนกันเรารู้ว่ามันคืออะไรเป็นวันสําคัญวันหนึ่งในพุทธศาสนาส่วนสี่ข้อนั้นเป็นบังเอิญว่าไม่ใช่บังเอิญหรอกไม่มีไม่แต่หนึ่งอย่างบังเอิญนะมีเหตุของมันที่ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนวันมาวันบูชาสูนี่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้นัดหมายร้อยสิบเอ็ดรูปที่มาโบสถนั้ไม่เคยรู้จักกันก็มาเจอกันที่นี่นะ บวชชีพามบวชเนนมานั้นงานใหญ่มากนะถามว่าคูทาทำไมบอกไม่รู้เพื่ออะไรก็ไม่รู้แล้งานนั้นเสร็จแล้วนี่พ่อครูก็เข้าไปในป่าก็ไปนั่งถามนี่แหละเราทาทาไมไม่มีคำตอบเพื่ออะไรไม่มีคำตอบคำว่าทำเพราะทำก็ผุดขึ้นทำเพราะธรรมะธรรมะคือหน้าที่ หน้าที่คือธรรมะทานศีลภาวนาเป็นหน้าที่เราไม่มีเหตุผลไม่มีเงื่อนไขไม่มีเป้าประสงค์แล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ก็เป็นเวลาศูนย์นี้พราคกูอยู่ที่นี่ยี่สบกปีทีนี้โอวาพระตาปิโมกเนี่ยเป็นคำสั่งสอนคำแนะนำที่เป็นหลักคาว่าเป็นหลักเป็นประธาน สำหรับถือเป็นหลักปฏิบัติในแนวเดียวกันในแนวเดียวกันเป็นคําสั่งสอนที่พระพุทธองค์ประทานให้ภษาวกสำหรับไปประกาศพมรมจันท์ชี้ทางพ้นทุกข์ให้สัตว์โลกทั้งหมดคือเป็นหลักการใหญ่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาหรือเป็นตัวศาสนาก็ได้ซึ่งมีหลักการสามอุดมการสี่ วิธีการหกฟังดีๆนะแก่นพุทธศาสนามีอยู่แค่นี้สิ่งที่เราต้องทําเหมือนกันหมดมีอยู่แค่นี้แต่ที่ไปอ้างคําสอนพระเจ้าอ้างสิ่งที่พระองค์ตัดไว้ต่างๆนานา น, า น, านั่นเป็นธรรมะ ย, ย่อยไม่ใช่ต้องไปทําตามแบบนั้นหมดนะเพราะมันเป็นน า, นานาจิตตังจริตไม่เหมือนกันตอนนี้ทะเลาะบ่แหวงกันเพราะว่า ผู้เจ้าว่าอย่างนั้นผู้เจ้าว่าอย่างนี้นะผู้เจ้าเทศกับพระ อ, อนุ์ว่าอย่างนี้เทศกับภาษาริบบทอย่างนี้เราต้องไปทำตามหมดเลยเหรอไม่ใช่จริตไม่เหมือนกันสิ่งที่ผู้เจ้าเตือนแล้วบอกเราว่าต้องไปในแนวเดียวกันก็คือหลักการสามก็คือหนึ่งการไม่ทำบาปทั้งปวงสองการทำกุศลให้ถึงพร้อมสามการทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว เป็นหลักการที่ทุกคนต้องทําเหมือนกันแต่เทคนิคอุบายวิธีในการบางคนไม่ทําบาปเขาก็อาศัยศีล น, นะมาเป็นตัวกํากับเพื่อไม่ให้ทําบาปทีนี้การปฏิบัติศีลเนี่ยบางค่ายก็ไม่ใส่รองเท้าไม่กินเนื้อสัตว์ฉันมือเดียวฉันสองมือมหายาณสา ม, มือ มันก็เป็นเทคนิคอุบายวิธีไม่เหมือนกันนะทีนี้เราไปเอาข้อปีกย่อยต่างๆนาน า, นาที่เราเชื่อว่ามันถูกต้องแล้วก็ไปกล่าวโทษคนอื่นนะตอนนี้หนาหูขึ้นมานะเหมือนเมื่อกี้นี่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์ประสงค์ก็มีเมตตาบอกพ่อครูพ่อครูรู้ตั้งนานแล้วเอ๊ะทีน่นี่เข้าทรงหรือเปล่าสะกดจิตหรือเปล่าสายศาสตร์ไหมนะ ยังไม่ได้มาลองเลยเนอะก็สร้างวัจีกรรมแล้วหลายปีก่อนมีคุณลุงคนหนึ่งเป็นเท่าแก่ที่อุบลตอนนี้ท่านจากไปแล้วละ่ะแต่ตอนนี้แฟนท่านยังอยู่อาม่าสีสมไทยนะท่านในทางโลกแล้วเนี่ยท่านเหมือนพ่อแม่พ่อครูนะะั่นแหะลูกชายท่านเป็นเพื่อนพ่อครูตั้งแต่พ่อครูมาเมอิกาท่านก็ตามพ่อครูนะเจ็บขาอะไรปฏิบัติก็หายทุกอย่างก็ดีขึ้น ท่านจากไปตอนอายุประมาณเก้าสิบกว่าตอนนี้ยาม่าเราก็เก้าสิบเอ็ดแล้วอตอนนั้นพี่น้องอแปะนี่ก็เตือนว่าระวังนะ อ, อตอนนั้นเขาเรียกอาจารย์สื่อระวังโดนอาจารย์สื่อหลอกอแปะแกบอกว่ายังไงอยากให้หลอกทุกวันเลยหลอกแล้วมีความสุขมากจากมันทุกข์ก็หายทุกข์จากมันเจ็บปวดก็หายเจ็บปวด คือคนเราเนี่ยคนยุคนี้เนี่ยมักง่ายนะคิดอะไรก็พูดไปเนาะเหมือนเราเวียงบุงมแมลงเนี่ยเฟี้ยงขึ้นใบบนอากาศเนี่ยถ้ามันไม่ชนอะไรเนี่ยมันกลับย้อนมาสู่ตัวเรานะโดยเฉพาะเราไปสร้างกรรมคนที่จิตเขาบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเขาไม่รับหรอกมันตีกลับหมดเนี่ยนะตอนนี้สังคมทะเลาอะบอกแหวงกันเพราะทุกคนมีวิตกจริตมีอคติ ไม่มีเรื่องก็หาเรื่องทะเลาะ ก, กันนะสิ่งที่เราต้องทําเหมือนกันเนี่ยหลักการสามอย่างก็คือการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อมการทําจิตใจให้ผ่องแผ้วมีแค่สามอย่างนะส่วนการทํากุศลให้ถึงพร้อมการทํากุศลทําอย่างไรก็คือการให้ทานทุกวันนี้เราสอนลูกหลานลูกเป็นคนดีนะลูกลุงเป็นคนดีนะนะ คนดีนในยะก็คือว่าอย่าทำชั่วให้พ่อแม่เดือดร้อนตอนนั้นเองเราไม่ค่อยมีเวลาพาลูกไปทำความดีเลยแล้วมันจะเป็นคนดีได้อย่างไรนะการทำความดีการทากุศลคือทำความดีก็คือการให้ทานนะวัตถุทานธรรมทานอภัยทานแลวตอนนี้เนี่ยคนในสังคมเราให้อภัยกันได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ เพราะเรามีทิติมรณะเรามีอคติซึ่งกันเราอาภัยไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเฉยบางทีมือก็ถือไปปากก็นับไปไม่รู้ว่าตัวเองถืออะไรไว้อยูนะ่ก็มีสามข้อนี้ทุกคนต้องทำไปในแนวเดียวกันผู้เจ้าดำริให้สาวกจาริกออกไปประกาศพรมอาจันชี้ทางพ้นทุกข์ให้สัตว์โลกทั้งหมดไม่ใช่ไปประกาศศาสนาไปแข่งกับศาสนาอื่นเขา ไม่ใช่ไปเลือกกลุ่มนี้กลุ่มนี้นะไม่ใช่ลัทธินิกายใดๆทั้งนั้นส่วนลัทธินิกายนั้นเป็นอุบายวิธีเป็นจริตที่ไม่เหมือนกันของครูบาอาจารย์ท่านก็ใช้เทคนิคที่ไม่เหมือนกันก็ตั้งลัทธินิกายขึ้นมาแต่สําหรับศูนย์ไม่มีนะไม่ใช่ลัทธินิกายใดๆทั้งนั้นแหละเพราะครูไม่โง่ที่จะไปตั้งขึ้นมาผูกคอตัวเองไอ้ที่มีอยู่แล้วก็ถัดแยง้งทะเลาะเบาแวงกันเหลือเฟืออยู่แล้วเนี่ยพวกครูจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสังฆกรรมนะ วิธีพ่อครูวิธีพ่ครูเป็นแบบไหนวิธีพ่อครูคือไม่มีวิธีแนวทางที่ศูนย์เป็นแบบไหนแนวทางที่ศูนย์คือไม่มีแนวทางไอ้ที่ไม่มีแนวทางคือแนวทางของเราที่นี่ไม่มีกติกาไม่แต่ข้อหนึ่งแค่ทุกคนเป็นผู้สืสารนิกชนเนี่ย อ, อุบาสกบาสิกาก็รู้อยู่แล้วหน้าที่เราต้องถือศีลห้าก็ถือไปเห็นไหม ภิกษุท่าน227็ก็ถือไปเนนสินสิบไม่ชี้ิน8ปดก็มีอยู่แล้วเพราะกูไม่ต้องตั้งอะไรใหม่ถ้าเราตั้งกติกาปุ๊บมันจะมีคนผิดกติกาและมันกจะมีคนจับผิดกันก็ทะเลาะบ่าบแวงกันในป่าดงดิบน่ไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีกฎหมายไม่มีระเบียบวินัยสัตว์ทั้งหลายอยู่อย่างสันติเสรีโดยแท้นกฝรั่งเศสบินมาเมืองไทยไม่ต้องขอวีซ่าแต่ตอนนี้มนุษย์เราเนี่ยเกิดอะไรขึ้น คำว่าโลกมนุษย์เกิดอะไรขึ้นแต่เราเอ่ยว่าโลกมนุษย์นี่มันก็ผิดแล้วไงเราคิดตู่ว่าเป็นโลกมนุษย์โลกของเราโลกใบนี้ไม่ใช่ของมนุษย์โลกใบนี้นของสรรพสิง่งมนุษย์คิดตูว่าของฉันฉันกระทำลายล้างอะไรก็ได้วันหนึ่งสู่ขึ้นมาหลายล้านบาเรลวกว่าจะเป็นน้ำมันกี่ล้านปีูไหมเอาขึ้นมาเป็นแลกเป็นเงินเป็น GDP จะทำลายป่าไม้ทำที่อยู่อาศัยของสัตว์เนี่ยฉันทำได้เพราะโลกของฉันเรากำลังรับกรรมหนักนะตอนนี้เขากำลังปรับสมดุลของเขาอยูนะ่ทั้งหมดก็คือเราเห็นผิดเป็นชอบเราเห็นผิดเป็นชอบเราก็ดำรีไม่ชอบการกระทำทุกอย่างไม่ชอบหมดนะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยอุดมการสามเมืม่อกี้หลักการสามทีนี้อุดมการสี่เขาก็แยกย่อยให้เราว่า อุดมการสี่คือหนึ่งความอดกั้นอดทนต่อการทำบาปทั้งกายวาจาใจเป็นสิ่งที่เราต้องทำความไม่เบียดเบียนงดเว้นจากการทำร้ายหรือเบียดเบียนข้อสความสงบได้แก่การปฏิบัติให้สงบกายวาจาใจส่ 4. ข้อนี้สำคัญมากคือนิพพานได้แก่การดับทุกข ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาหลายปีก่อนพ่อครูจําไม่ได้มีผู้รู้มาที่นี่เขาก็บอกว่าในยุคนี้ยังกล้าคิดนิพพานเลยเขาบอกไร้สาระเขาบอกอาตมาไม่คิดไม่กล้าคิดไม่กล้าคิดก็ก็ลาออกจากพุทธซะถ้าพุทธศาสนิกชนคนไหนปฏิเสธนิพพานเราไม่เข้าใจคําสอนพุทธเจ้า พ่อครูเคยถูกต่อว่านะหลายปีนะผู้รู้บอกว่าเออพรอครูที่นี่เนี่ยไม่เธอเลไม่เธอเลยธอทยานมากเกินไปเลยพูดแต่เรื่องนิพานพวกวกว่ะครูบอกไม่นะที่นี่มักน้อยสันโดษนิพานมันไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนะี่ยมันจะมันมันมันจะเป็ น, ม, น, ปนมันจะเป็นไฟสูงได้ยังไงเขาเข้าใจว่าสวรรค์มันสูงสูงนิพานของสูงกว่านี้นะ่ะเห็นไหม เราที่เลยทยานไม่ใช่นิพานมันไม่เหลืออะไรเลยเรามักน้อยสันโดษถ้าทุกคนปฏิเสธนิพานเรไม่ต้องปฏิบัติให้มันเสียเวลาไม่ต้องนับถือศาสนาให้มันเสียเวลานะเสียเวลาชีวิตศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเป็นคนดีศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเป็นคนชั่วศาสนาพุทธสอนให้เราพ้นทุกสถานเดียว แต่การพ้นทุกข์ต้องสอนให้เราทำดีทำแค่พอดีแต่ไม่ติดดีแล้วก็ละชั่วด้วยทำดีไม่ละชั่วมันจะไปไหนหลวงพ่อชาพูดบ่อยๆทำดีเหมือนว่าเราอาบน้ําชำระให้มันสะอาดปุ๊บก็ไปทําให้มันเปือ้อนชีวิตเราก็ชักเข ย, ออย่าอย่างนี้แหละทำดีแล้วไม่พอต้องละชั่วด้วยนะทำดีละชั่วพอไหมไม่พออย่าแกล้งลืมหนี้เก่า อย่าละแกล้งลืมสิ่งปฏิกูลที่เราสะสมมายาวนานแล้วเนี่ยต้องขัดเกาจิตให้ผ่องใสด้วยนี่คือสามองค์คำสอนพุทธเจ้าง่ายเรียบง่ายถ้าพูดถึงวิชาการต่างๆในโลกใบนี้เนี่ยเป็นวิชาที่ง่ายที่สุดง่ายที่สุดทำแค่สามข้อเด็กอนุบาลปถมมัธยมเด็กเราเนี่ยถูกบังคับให้เรียนเจ็ดแปดหมวดวิชาภาษาไทยก็สอบตกยัง ให้เรียนภาษาอังกฤษยังไปเรียนภาษาอาเซียนอีกบ้าบอคอแตกไอ้ผู้ใหญ่หลงไม่พอพาเด็กมันหลงด้วยนะอวดเก่งกันนะไม่สอนให้มันรู้จากชีวิตสอนสอนให้มันเอาชีวิตไปทุกข์เพื่อสร้างอนาคตอนาคตอยู่ไหนอยู่นู่นนูนนูนน่น น, น, น, น, นคนอยู่ที่หนึ่งบิลเกตเขายังไม่สำเร็จเลยใครจะสำเร็จสำเร็จไปว่าเสร็จแล้วไม่มีแม้แต่หนึ่งคนสาเร็จ เราไม่เอาชีวิตแล้วเราเอาอนาคตเห็นไหมก็สอนกันแบบนี้ไงภาษาไทยยังสอบตกทั่วประเทศนะองค์รวมทั่วประเทศนี้ได้สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ยังอวดเก่งอวดดีไปเรียนภาษาต่างชาติเป็นทาสเขาเนาะคนบางคนต้องเรียนภาษาอังกฤษเก่งๆแต่ไม่ใช่คนทุกคนเกษตรกรยากจนเขาไม่มีจะกินอยู่แล้วให้เขาเสียเวลาไปเรียนวิชาบ้าๆบอๆ ไปเป็นกรรมกรผู้ซื่อสัตย์สนองอุตสาหกรรมนิยมแทนที่จะสอนให้เขาเป็นคนไทยเป็นเกษตรกรซึ่งมีความสุขบ้ากันไปทั้งหมดแล้วนะก็เพราะเขาไม่เข้าใจรู้ๆหมดสอบพุทธศาสนาบางทีก็สอบสอบขึ้นหมดแหละเพราะท่องจามารู้หมดปฏิสบุตรบาทมีอะไรขันห้ามีอะไรศินห้ามีอะไรรู้หมด ไปประเมินความจำกันมันเป็นแค่ความจำมันไม่ใช่ความจริงเราไม่เคยเอาความจำเอาความรู้นั้นมาสังเคาะทำให้มันกลายเป็นความจริงนะเพราะเราไม่เชื่อพุทธเจ้าเราถึงทุกข์ไงเพราะผงพูดสั้นๆนะปัญหาคือที่มาของทุกข์ทุกคนก็รู้รู้หมดแต่เราก็สนองตัญหามาตลอด ตัวนิพพานเนี่ยได้แก่การดับทุกข์ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาใครปฏิเสธนิพพานแล้วเนี่ยไม่เข้าใจพุทธศาสนาตอนนี้ไปเถียงกันในเรื่องปีกย่อยเรื่องอะไรของฉันถูกของเธอผิดจะแทนที่จะส่งเสริมให้ทุกคนศรัทธาศาสนาทําให้ทุกคนเบื่อศาสนาเพราะกูบอกนะคนรุ่นใหม่เขาจะไม่เอาแล้วนะเพราะศาสนาไม่ตอบโจทย์ไม่ใช่ความผิดของเด็ก เกิดมานี่ก็ถูกใส่วัตถุนิยมทุนนิยมเสรีแล้วเนี่ยก็สอนให้มันก้าวหน้าสอนให้มันต้องโลภต้องโกรธต้องหลงนก็สอนมันไปอย่างนี้ไงแล้วก็ถามว่ า, าศาสนาบอกไม่ดีต้องวางมันไปขัดแย้งกับคนสมัยใหม่ถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนแนวทางในการนำเสนอแล้วเนี่ยเดี๋ยวศูนพันเราจะไปอนุรักษ์ของเก่า ว่ามันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ถ้าเราตายแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่เขาไม่เอามันก็สูญพันธ์คำสอนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัจธรรมนั้นอีกกี่ล้านปีใครก็อย่ามังอาจไปเปลี่ยนเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าด้วยนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระธรรมในพระรัตนตรัยเนี่ยไม่ใช่คำสั่งสอนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นตัวหนังสือเท่านั้นเอง พระธรรมคือสิ่งที่ถูกเห็นพระธรรมมีอยู่แล้วคู่โลกคู่จั ก, กรวาลมีก่อนที่เจ้าทายเชื้อทะจะประสูติขึ้นมาอีกถ้าไม่มีพทุทธเจ้าทั้งหลายก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นพระทีปังกรพระกัตส ป, ปะนะก่อนหน้านี้ในสายพุทธิบันทึกไว้ยี่สเจ็พระองค์องค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่ยี่ยสิบแดท่านเหล่านั้นก็บรรลุธรรมไม่ได้สิแต่ผู้เจ้าไปตัดสรุปมาพระธรรมจึงแปลว่าสิ่งที่ถูกเห็น พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระสงฆ์ในพระไตรในพระกฏพระไตรักษ์เนี่ยคือผู้เห็นธรรมมาก่อนคือจิตถึงเข้าถึงธรรมแล้วเห็นธรรมเบื้องต้นโสดา ป, ปฏิมักขึ้นไปโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลคู่แรกสกิทาคามีมักสกิทาคามีผลคู่ที่สองอนาคามีมักอนาคามีผลคู่ที่สาม อหัตมะอาหัตผลนี่คู่ที่สี่สี่คู่แปบุรุษเป็นสงควรแก่สักการะและบูชานี่คือพระอริยสงฆ์ในพระรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากล่าบพระพุทธรูปนี่คือสั ญ, ญลักษณ์เพื่อเราลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ห่างไกลจากกิเลสเรายึดพระองค์เป็นสารณะเป็นแบบอย่างที่เรากา่าวไหวเพื่อเราจะมุ่งมั่น ทำให้เราพ้นทุกข์เหมือนพระองค์ไม่ใช่กราบไหวในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอนวทขอนี่ผู้เจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นผู้เจ้าสอนให้พวกเราเนี่ยอัตหิอัตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ใช่ไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนนะผู้เจ้าจึงไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ผู้เจ้ายิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้ทุกวันนี้เราห่อเหินเดินอากาศได้นะ เนี่ยพวกท่านมาจากกรุงเทพเนี่ยบินมาอุบลชั่วโมงเดียวเห็นไหมเพื่อนอยู่ฝรั่งเศสคุยกับเราหูทิพนะ่ะคุยกันรู้เรื่องนะ่ยทุกวันนี้เขาแสดงละคร อ, อยู่โตกเกียวแล้วก็มองเห็นตาทิพแล้วเห็นไหมมันไม่ช่วยเราพร้นทุกทำให้เราเพิ่มทุกอีกเพราะเราไปหลงมันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําให้เราพร้นทุกไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยคำสอนพระองค์เนี่ยถ้าเราทําจริงเนี่ย ทำให้เราพ้นทุกได้นะ26ปีก่อนอยูเอเมริกา พ, กพก่อเกิดพอคูเกิดสามช่วงอาการที่มันระเบิดขึ้นมาวินาทีนั้นพวอกูเลิกนับถือพระเจ้าทันทีเพราะคำว่านับถือนี่มันหยาบไปบูชาถวายชีวิตพระองค์ไม่มีข้อสงสัย แล้วจากวันนั้นถึงวันนี้มาอยู่ที่ยี่สบหกปีไม่มีแม้แต่หนึ่งวินาทีต้องไปนั่งคิดกังวลอะไรไม่เคยคิดเลยมาถึงไม่ต้องปวดหัวไงไม่ต้องกินยาพาราแม้แต่เม็ดหนึ่งตอนนี้สอนคิดบวกกันคิดบวกคิดบวกคิดบวกไปสนองกิเลสคิดก็คือมโนกรรมคิดดีก็ทุกคิดชั่วก็ทุกคิดบวกเพราะอยากได้ใช่ไหม คิดบวกเพราะอยากชนะใช่ไหมคิดบวกเพราะอยากสําเร็จใช่ไหมคนโลกเขาสอนกันไม่เป็นไรนะแต่คนในวิถีพุทธไปสอนเนี่ยเพราะกรูไม่เห็นด้วยมันถึงเพี้ยนไงไปสนองตัญหาผู้คนแค่เราไม่ต้องคิดลบได้ไหมไม่คิดลบก็ไม่ต้องคิดบวกไงทําหน้าที่เราอย่างดีที่สุดเห็นไหมผลมันก็ดีอันนี้เราไม่ไม่เมื่อกี้พระอาจารย์ท่านบอกพูดถึงเรื่องปัจจุบัน ก็ถูกแล้วเห็นไหมเราเหวี่ยงทิ้งเราเต้นเราก็เหวี่ยงทิ้งเราลําก็เหวี่ยงทิ้งนะเรานั่งเหวี่ยงเราก็เหวี่ยงทิ้งเราอยู่ปัจจุบันมีหน้าที่ปัจจุบันเหวี่ยงทิ้งเหวี่ยงทิ้งเหวี่ยงทิ้งอย่างเดียวอดีตมันโผล่ขึ้นเหวี่ยงทิ้งไม่ใช่ไปหลงอดีตตอนนี้มีคนหลงอดีตหลายคนนะบอกให้เหวี่ยงทิ้งไม่เหวี่ยงทิ้งเพราะมันวิเศษมากตัวเองหลงไม่พอ ย, ยังพาคนอื่นหลงด้วยระวังนะเป็นกรรมนะถ้ายังไม่แข็งแกร่งอย่ายไปยุ่งคนนนนอื่่่โดยยยเเฉามทีีศู์ ต่างคนต่างปฏิบัติไม่ต้องไปชักชวนใครเอาตัวเองให้มันรอดก่อนนะหวังดีประสงค์ลายไม่ดีนะเป็นกรรมเราระบายสีอยู่เรามีหน้าที่ระบายสีเนื่องจากเราเป็นคนเป็นคนรับผิดชอบอนาคตมากเราก็ระบายไปห้าสิบเอร์เซีกห้าสิบก็คิดว่าระบายเสร็จแล้วจะไปทำอะไรเออระบายแล้วไปประกวดจะได้ที่หนึ่งหรือไม่ มันก็ระบายถูกระบายผิดพรุ่งนี้สีมันแห้งมันก็ได้ห้าสิเซแต่ถ้าเราไม่มีอนาคตเราอยู่ปัจจุบันตั้งมั่นกับการระบายมีความสุขกับมันถ้าเราตั้งมั่นตั้งมั่นคือสมาธิถ้าสมาธิเต็มร้อยวาดกับมันนี่อารมณ์แทรกไม่ได้อารมณ์รบกวนเราไม่ได้นะสติมันก็ตื่นรู้นะมันก็วาดได้ร0อพรุ่งนี้สีมันแห้งก็ได้ร้อยเซอย่าห่วงอนาคตมากมาย อนาคตไม่ต้องห่วงมีอยู่แล้วพรุ่งนี้ก็อนาคตปีหน้าก็อนาคตชาติหน้าก็อนาคตทําปัจจุบันให้มันดีที่สุดเหมือนพ่อครูให้การบ้านเดี๋ยทุกคนศาลานี่พวกเรามาเหยียบแล้วเนี่ยเราเหยียบดินเหยียบทรายมาด้วยต้องถูช่วยกันถูนะบางเ อ, อิญเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ไงเราต้องการเหตุผลนะถูไปด้วยเฮ้ยเม็ดนี้มันเปื้อนเพราะอะไรเอาเข้าไปห้องแลบไปวิจัยว่ามันเปื้อนเพราะอะไร เห็นมเออเป็นพ่อหมึกนะต่อไปประกาศอย่าเอาหมึกเข้ามานะถูไปเม็ดนี้เพื่อนเอาเข้าห้องแหลบอีกถามว่าชาตินี้มันจะสะอาดไหมถูไปด้วยคิดไปด้วยวิจัยไปด้วยเพราะความอยากมันก็ไม่มีสมาธิถูไปตั้งมั่นถูไปพอถูไปถูไปให้มันสะอาดนั่นะปัญญาอย่างยิ่งมันจะเกิดปัญญาเลยว่าอ๋อความ ความสะอาดมันมีอยู่แล้วเต็มเปี่ยมแค่ความสกรปรกออกเท่านั้นเองมันก็แสดงตัวไงที่มันสกรปรกเพราะว่าเราเอาของมาเจือปนเราก็เอามันออกเท่านั้นเองไม่ใช่จะไปรู้ทุกเรื่องนะเพราะเราไปสนองความอยากรู้เรามีหลวงพี่ท่านหนึ่งก็เคยมาแย้งพ่อครูอยู่พ่อครูบอกไม่ต้องพยยิจารณาไม่ต้องตัดสินนะเวียงทิ้งทั้งหมดบังเอิญท่านสอน กรรมาฐานอยู่ท่านบอกพก่อครูไม่พิจารณามันจะเกิดปัญญาได้อย่างไรบังเอิญพ่อครูก็เอาน้ำชามาเปิดท่านหนึ่งพะอาจารย์พิจารณาหน่อยรสชาติเป็นยังไงรู้ไหมไปเพ่งดูพิจารณารู้ไหม ส, สมว่าสมว่าอันนี้เป็นกาแฟนะเราเป็นนักดื่มกาแฟ เราชำนาญมากเราดูปุ๊บอืมมันเข้มข้นมากมันน่าจะขมแค่นั้นแค่นี้เราก็คาดกันเอเอามันเป็นแค่จินตนาการถามว่าหวานเท่าไหร่รู้ไหมก็ไม่รู้อีกอยากรู้ทํำยังไง ร, รู้แล้วรู้แล้วก็จบอย่าไปคิดเพิ่มเติมว่าทําไมวิปัสสนาต้องเกิดจากการเห็นแจ้งของจิต ไม่ได้เกิดจากการนึกคิดหรือพิจารณาหมดแตพิจารณาอยู่ในพิจารณาอยู่นั่นแหละวิจัยอยู่ตรงนั้นแหละคำว่าธรรมวิจยะสำโพชงจิตเขาวิจัยโดยไม่ผ่านความคิดถ้าอยากรู้ว่าวิธีนี้ถูกสะกดจิตไหมวิธีนี้สายศาสตร์หรือเปล่ามันเต้นแรงเต้นกาทำไมก็ามาเต้นลองดูเต้นดูนะวันนี้มีโอกาส สนทนาธรรมกับคุณหมอเป่านะคุณหมอเป่าก็ก้าวหน้านะมาสนทนากับพระครูสอบวลงก็ปฏิบัติคำว่าธรรมะวิจัยเนี่ยคือจิตมันวิจัยเหมือนเราโดดเข้าไปในน้ำนั่นแหละไม่ใช่น้ำมันไหลมาไหลมา ล, ล, ล, ล, ล้วไปนั่งเพ่งมันเออมันไวนะไวน่ะวน่ไวนะเราก็คาดคะเนว่าน่าจะ45องศาไอ้40กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนนั้นก็คาดคะเน60กิโมรต่อชั่วโมง มันมีไอ้น้ําด้วยเย็นนะเย็นนะเย็นนะก็ะาคาดขนเอวอีกมันไม่ใช่ของจริงของจริงต้องโดดลงไปในน้ําพอโดดลงไปในน้ําปึ้งน้ํากับเราเป็นหนึ่งเดียวละเห็นไหมไม่มีผู้เพ่งกับสิ่งที่ตกเห็นเรารู้เลยว่ามันแรงแค่ไหนเอาน้ํามันเย็นแค่ไหนก็รู้แค่นั้นก็พอนั่นคือวิปัสสนาแต่ตอนนี้เป็นวิปัสสนึกนึกเอาพิจารณาก็คิดตามกิเลส นะกิเลศ ช, ชอบขาวก็อ้างว่าสีขาวมันดีเห็นไหมมีสองคนเป็นพาร์ตเนอร์กันไปเข้าหุ้นเปิดโรงงานผลิตสินค้าอย่างหนึ่งจะเอาไปขายเออมันชอบสีขาวมันก็อ้างว่าสีขาวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ออโอเคเขาก็ให้ผลิตสีขาวขายไม่ได้มันไม่ไปถามคนซื้อว่าเขาชอบสีอะไรนั่นแหละพิจารณาระวังมันพิจารณาเข้าข้างกิเลศตัวเองมันไม่ใช่ของจริง มันเป็นแค่ความเห็นของเราไม่ใช่ความจริงนะยกตัวอย่างตอนนี้เรายังไม่แก่ใช่ไหมเราเห็นคนแก่คนหนึ่งอายุเก้าสิบเดินถือไม่เท้าหลังโกงๆอยู่โอ้ยทุกข์นะทุกข์นะถามว่าทุกข์แค่ไหนรู้ไหมแล้วก็คาดคะแนวทุกข์มันกีกนก่กิโลนะมันชั่งกี่กิโลเรารู้ไหมไม่รู้แล้วจะให้รู้ความจริงยังไงพระครูบอกอย่าแกล้งลืมนะ เราเคยแก่มาตั้งหลายครั้งแล้วนะแกล้งลืมว่ใหญ่ลืมจริงๆลืมจริงๆเหรอแน่เหรอผู้เจ้าไปจัดสรู้มหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานมหาสติคือสติใหญ่ถ้าเรามีสติใหญ่เราสามารถระลึกรู้อดีตได้ซึ่งผู้เจ้าก็ทําให้เราเห็นอยู่แล้วว่า วิชาแรกที่พระเจ้าตรัสรู้คือบุพเพนิวาสานุสติยานยานรู้ว่าด้วยการรดึกชาติไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไม่ใช่เรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารมันเป็นอภิญญายานอย่างหนึ่งอยู่ในหนึ่งอภิญญาหกแต่ถ้าเป็นหลงมันเมื่อไหร่มันเป็นแค่โลกียะอภิญญาแต่มันมีประโยชน์ที่พระเจ้าตรัสรู้เรื่องเวียนว่ายตายเกิดบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมไม่ใช่พระ อ, องค์นั่งเทียนนะนั่งคิดเอานะ ไม่ใช่พระ อ, องค์ไปเห็นจากอดีตพระ อ, องค์เองตั้งแต่เป็นพระเวสสันดรเป็นอะไรลาๆเยอะแยะเลยนลี่แหละไอ้ตัวนั่นคือประสบการณ์จริงๆว่าทำให้พระ อ, องค์ไปเห็นเรื่องเวียนว่ายตายเกิดบาปปุนุทษกฎแห่งกรรมส่ว่าเรารีวายไปสมัยที่เราอายุเก้าสิบในอดีตเราก็รู้แล้วว่าคนแก่มันทุกแบบไหนนั่นะเป็นอารมณ์จริงๆเราไปเสพอารมณ์นั้นไม่ใช่ไปนั่งดูคนแก่ไม่ใช่ไปนั่งเพ่งน้าชา ทุกวันนี้เป็นแค่วิปัสสนึกวิปัสสนาเนี่ยต้องใช้มหาสติปัฐานก็คือว่ากายในกายเวทนาเวณนาจิตในจิตต้องเข้าไปในจิตในจิตไม่ใช่ไปนั่งดูจิตบ้านหลังนี้ชื่อว่าจิตก็ไปนั่งดูมันเป็นอุบายวิธีเจริญสติเท่านั้นเองละ่ะเพื่อให้จิตเราจดจ่อไปดูตรงนี้อย่าไปคิดนะถ้ามันเลิกคิดเมื่อไหร่ปุ๊บมันวางความคิดมันก็ว่างมันเกิดความว่างก็เกิดความสงบชัว่วครู่แต่พอเลิกเพ่งปุ๊บมันก็วีนอีก เพราะไอเชื้อไวรัสที่ทำให้เราไม่สงบมันก็ยังอยู่ไปส่องดูกระจกบ้านหลังนี้มันก็ยังเปื้อนเหมือนเก่าไงไปเพ่งอยู่ตรงนั้นแหละแล้วมันสะอาดไหมต้องเปิดประตูบ้านเข้าไปในจิตในจิตน่ะจิตเห็นจิตคือมรรคละเข้าไปกระแสะมรรคละผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธบางคนถามคูขเข้าไปทาไม ก็เข้าไปขัดเก่าจิตให้ผ่องใสไงไปนั่งดูมันมันขัดได้หรือเปล่าเหรนี่แหละคือมหาสติปฐานเนี่ยต้องเริ่มจากกายในกายเทวดาทําไม่ได้นะเทวดาไม่มีกายไม่มีสติปฐานทั้งสี่เราเนี่ยเป็นผันมนุษย์ผู้ประเสริฐเป็นสัตว์ประเสริฐชนิดเดียวเท่านั้นที่จเจริญวิปัสสนาได้สัตว์เดรัจฉานเขาเกิดมาใช้นี่กรรมเขาทําได้ระดับหนึ่งบางกรพญานาค พวกสัตว์ชั้นสูงเนี่ยทำได้ระดับหนึ่งมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเราประเสริฐเรายิ่งใหญ่กว่าสัตว์เดียวฉานมีอย่างเดียวเท่านั้นคือเราเจริญพิปัสนาเจริญมรรคจิตได้นี่คือสิ่งที่เราได้เปรียบสัตว์อย่างอื่นแต่ตอนนี้เราใช้ร่างกายเรามาทาอะไรมาสร้างอนาคต แล้วก็ทำลายตัวเองคิดไม่เลิกไม่หลับไม่นอนไม่กินเพราะงานยังไม่เสร็จเอาอนาคตกไม่เอาชีวิตเพราะเรารู้ผิดเราถูกใส่อวิชาเข้าไปอวิชาคือความรู้ผิดความรู้ใดที่ทำให้เราทุกข์น่ถือว่าเป็นอวิชาทั้งสิ้ น, นทีนี้ผู้เจ้าตรัสรู้วิชาแรกคือบุพเพนิวาส า, านุสติญาณ นะพระองค์ก็มีเป็นประสบการณ์ไปตัดสรุวิชาที่สองคือว่าทํำไมเกิดมาอยู่ในร่างสตรีทําไมเกิดเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวทําไมลูกฝาแฝดเกิดมาพร้อมกันเนี่ยไอคนนี้ขี้แย่คนนี้ไม่ขี้แยท่าัก็เลยคิดว่าดีเอ็นเหมือนกันทําไมอันนี้ไอคสูงไอคต่ําใครเป็นตัวกําหนดไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนประสบการณ์ที่พระองค์ไปเห็นในอดีตหลายภพหลายชาติน่ยพระองค์ถึงไปเห็นว่ากรรมเป็นตัวกําหนด นี่คือวิชาที่สองคือจตุปาตยานยานรู้ว่าได้การเกิดเพราะกรรมตายเพราะกรรมกรรมเป็นตัวกําหนดสับโลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่พรอครูเคยยกตัวอย่างบ่อยๆว่าสตรีท่านหนึ่งขับรถไปยางระเบิดชายชกันห้าคนขับรถมาแก้ปัญหาให้ในเวลาเดียวกันที่เดียวกันอีกคนละวันเท่านั้นเองอีกท่านหนึ่งขับรถไปยางระเบิดชายชกันห้าคนมันคนละกรุ๊ปนะ มันมาเจอมันฆ่าข่มขืนอุบัติเหตุทั้งสองอย่างนี้ทําไมคนนี้รอดทําไมคนนี้ตายเราเข้าใจว่ามันบังเอิญบังเอิญคนห้าคนนี้มันมาช่วยบังเอิญห้าคนนี้มันมาฆ่าอุบัติเหตุไม่ไแปลว่าบังเอิญอุบัติขึ้นตามเหตุที่เคยสร้างมาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างบังเอิญมันเป็นไปตามกระแสกรรม นี่ละคือจุดุปาตยานยานรู้ว่าได้การเกิดเพราะกรรมตายเพราะกรรมที่นี้พระองค์ไปเห็นว่าเราหลวงสร้างกรรมมาตั้งหลายร้อยพาดหลายร้อยชาติพันชาติมันจะมาใช้ใช้ชาติเดียวมันจะหมดได้อย่างไรเห็นไม้มความยิ่งใหญ่ของพระองค์เนี่ยพระคูที่บอกว่าทำไมพระคูเลอกนับถือบจ้าทำไมต้องบูชาถวายชีวิตดุษฎี ไม่มีใครช่วยพระครูให้พ้นทุกข์ได้พระองค์ไปเห็นได้อย่างไรไปเห็นสิ่งนี้ได้อย่างไรรู้ยังไม่พอนะรู้วิธีแก้ด้วยพระครูไม่สงสัยพระองค์ก็ไปเห็นว่าต้นเหตุที่เราสร้างกรรมเพราะอะไรเนื่องจากเรามีอาสะวะกิเลสกิเลสทำให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดอุปทานอุปทานก็ทำให้เกิดทุกข์ พระองค์ก็เลยไปนค้นพบวิชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล น, นี้นะไม่มีที่อื่นนอกจากสิ่งที่พระองค์เป่งออกมาคืออาสะวะขยะยานยานรู้ว่าด้วยการกำจัดอาสะวะกิเลสก็คือมัดมีองแปดง่ายๆแค่ทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสนี่ผ่านอยู่ใกล้ๆ มันไม่ได้อยู่ใกล้ตัวนิพพานไม่ได้อยู่ใกล้ตัวด้วยเขาอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วถ้าอยากก้าวหน้าต้องถอยหลังไม่ใช่ไปแสวงหานิพพานอยู่อินเดียหรือภูเขาฮิมาลัยเท่านั้นเองนิพพานอยู่ข้างในเขารอพวกเราทุกคนอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะเอาจริงไหมง่ายๆไม่มีคำสอนใดที่ง่ายขนาดนี้ ที่เราทุกข์เพราะจิตเราไม่ว่างที่มันไม่ว่างเพราะมันติดไม่เอกเวียงไม่เอกทิ้งเดี๋ยวนี้บรรลุเดี๋ยวนี้เวียงพรุ่งนี้บรรลุพรุ่งนี้คือวางแล้วมันก็ว่างอุ้ยพ่อครูมันวางยากยากถามว่าตำรวจจับไหมต้องขอวีซ่าหรือเปล่าต้องเสียงเงินกี่บาทมันยากเพราะมันง่ายไม่มีอะไรง่ายกว อ, อย่างนี้มันเป็นเส้นผมบางภูเขาไงแต่กิเลส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 แต่ผู้เจ้าสอนให้เราหลับตาแล้วก็เห็นตัวเองแล้วก็เป็นวิชาที่ถ้าเราเข้าถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะเลิกนับถือผู้เจ้าทันทีเลยเพราะคำว่านับถือมันหยาบไปเราจะบูชาถวายชีวิตพงเพราะคูไม่ได้ถวายชีวิตให้พุทธศาสนานะพุทธศาสนาเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นมาทีหลัง ไปเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนคําสอนพูทธเจ้าเท่านั้นเองผู้เจ้าตัดไว้เองว่าศาสนาพุทธเนี่ยของพระ อ, องค์อยู่ได้ประมาณ 5,000 ันปีมันก็เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแต่มีประโยชน์คําว่าจันโลงศาสนาเนี่ยไม่ต้องไปประกาศศาสนาไปแข่งกับคนอื่นไปประกาศพรมอาจารชี้ทางพ้นทุกข์ให้สัตว์โลกเขาจะนับถือศาสนาใดๆก็ช่างก็เป็นเรื่องวัฒนธรรมของเขา เขาเป็นคนจีนก็ให้เขาเป็นคนจีนเขาเป็นขมิงก็เป็นขมิงเขาเป็นฝรั่งก็ให้เขาเป็นฝรั่งจะให้เขามาเป็นคนไทยเหมือนเราได้อย่างไรมิเธออ้างคําสอนพุทธเจ้าไปกล่าวโทษคนอื่นแทนที่จะช่วยกันพายเธอถนัดซ้ายก็พายซ้ายเธอถนัดขวาก็พายขวาอย่าไปเถียงกันว่าซ้ายดีขวาดีตอนนี้มันเถียงกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะสร้างวจีกรรมไปวจีกรรมมันมา ก็เมื่อกี้เนี่ยหลักการ3มอุดมการ4ี่แล้วก็อันสุดท้ายก็คือวิธีการหวิธีการห 1. หนึ่งไม่ว่าลาย 2. ไม่ทำลายสาสำรวมในปาติโมกก็คือทำสามอย่างนั้นเสมอต้นเสมอไป 4. รู้จักประมาณก็คือทางสายกลางทางสายกลางเนี่ย คือพอดีนะทางสายการก็คือพอประมาณทีนี้พอประมาณของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันคนตัวใหญ่เขาก็กินมากหน่อยหนึ่งคนตัวเล็กก็กินน้อยหน่อยหนึ่งอย่าไปเถียงกันว่าเธอทำไมกินมากเธอทำไมกินน้อยยังมีเด็กสามคนในกอในข อ, ใ น, ขอในงอในกอเนี่ยมันตัวเล็กมันกินถ้วยหนึ่งก็พออิ่มพอดีเลยในขอมันกินสองชามอิ่มพอดี แต่ในมอนี่มันตัวใหญ่มันต้องกินสามชามอิ่มพอดีทีนี้เรามีข้าวหกชามยุคนี้ไม่ได้ต้องเสมอภาคอาหารสามต้องเท่าเทียมอา้าหารสามคนหนึ่งได้เท่าไหร่ได้สองชามไอ้ในกอมันกินไม่หมดบอกไม่ได้นะลูกข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่า ก, กินทิ้งคว้างเป็นของมีค่าชาวนาเหนื่อยยากลาบากนักหนา สงสารชาวนาคนยากคนจนกินให้มันหมดมันทุกข์มากมีคนที่สองมันอิ่มพอดีไงไอคนที่สามมันต้องกินสามชามให้มันสองชามเนี่ยมันไม่อิ่มไงมันก็ทุกข์ไงไอความคิดแบบให้เท่าเทียมกันน่ะเกิดมาก็ไม่เท่ากันแล้วศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเท่าเทียมกันน้ําแก้วหนึ่งเราเอาทรายลงไปมันก็ไปอยู่ข้างล่าง เราน้ำมันลงไปมันก็ลอยอยู่ข้างบนเราเกลือลงไปก็ไม่อยู่ตรงกลางเห็นไหมต่างคนต่างอยู่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันต่างคนต่างอยู่ทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในแก้วใบเดียวกันแต่ทั้งหมดไม่ต้องเหมือนกันแต่ไอ้ลัทธินิกายที่ต้องให้มันเหมือนกันเท่าเทียมกันกลัวได้เปรียบจะแบบมันไปคนใหญ่เลยมันไปคนใหญ่เลยตอนนี้วุ่นวายไปทั่วโลกเพราะเราไม่เข้าใจว่าตั้งแต่เกิดมามันไม่เหมือนกันแล้วกฎหมายเขียนบอกว่า ทุกคนต้องเสมอภาคทุกคนต้องเท่าเทียมในกฎหมายนั้นเป็นเครื่องทฤษฎีแต่ข้อที่จริงเนี่ยไอ้คนมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องกฎหมายมันก็ฉลาดใช้มากกฎหมายกว่าคนอื่นนี่คือความโง่เขลาของข ม, มนุษย์มันถึงทะเลาะกันทุกวันนี้เพราะไม่เชื่อฟังพุทธเจ้าศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเท่าเทียมกันศาสนาพุทธสอนให้เรายอมรับในความแตกต่างคนที่เหนือกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่ด้อยกว่าคือการให้ทาน อยู่ด้วยกันได้อันนี้อย่าว่าแต่คู่阿里เราะนะคุณเคยไปรู้เรื่องครอบครัวเดียวกันก็คุยกันไม่รู้เรื่องไอ้ลูกเราเราก็ออกมันมาเองนี่แหละก็ริสอนมันเองนั่นแหละตอนนี้คุยกันไปรู้เรื่องเห็นไหมเพราะต่างคนต่างมีทงไอ้ทรายก็บอกว่าไอ้น้ำมันมึงบ้าเลยอยู่ข้างบนไปตากแดดทําไมเห็นไหมไอ้น้ำมันบอกมึงบ้าไม่อยู่ในทรายอยู่ข้างล่างนี่ไม่มีอากาศหายใจ ไอ้เกลือบอกอยู่อย่างฉันดีกว่าอยู่ตรงกลางดีกว่ามังจะต่ออะไรทำไมน่องจากเรามีทงเรามีกิเลส ข, ของตัวเองเราไม่พยายามเข้าใจคนอื่นเราไม่พยายามยอมรับในความแตกต่างนลูกฝาแฝดมันยังไม่เหมือนกันเลยแต่ความคิดที่ว่าทุกคนต้องเท่าเทียมกันเหมือนกันนะถ้ากฎหมายมันดีจริงเราจะเลือกผู้แทนไปแก้กฎหมายให้มันเสี ย, วยเวลาทาไมล่ะก็กฎหมายมันแค่กฎหมายเหตุเป็นข้อตกลงชั่วคราว เมื่อเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนได้ไม่ใช่ไปทะเลาะ ก, กับพ่อไอ้ ก, กฎหมายภาษามันหยาบเกินไปที่จะอธิบายสิ่งนั้นพูดปุ๊บเข้าใจเหมือนกันเลยเนะ่ยมันไม่ใช่ตอนนี้เราเออกคำว่าพระธรรมหมายถึงตัวหนังสือพระไตรปิฎกเป็นเต็มตู้เลยหนังสือชุดนี้ไม่ใช่พระธรรมไม่ใช่ธรรมะเป็นหนังสือที่บรรทุกเรื่องพุทธประวัติพุทธประวั ต, พวติพูดถึงเรื่องธรรมะแต่ตัวหนังสือไม่ใช่ธรรมะ พระรูปเจ้าถึงบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อตำราภาษามันหยาบเกินไปที่จะพูดปุ๊บเข้าใจเหมือนกันถ้าเข้าใจเหมือนกันทำไมต้องมีทนายความทำไมต้องมีศาลล่ะทุกคนก็อ่านเข้าใจกันหมดไงสิ่งที่พระเจ้าตรัสลูอ น, นั่นคือความจริงแต่เสง่งที่องค์พระองค์ทรงสอนเป่งออกมากลายเป็นภาษาแล้วพระองค์จึงบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อตำรานะ เพราะตำลามันมาทุกด้วยภาษาจะเป็นภาษาบาลีสันสกิกหรืออินเดียโบราณก็ช่างหรือแปลเป็นไทยก็ช่างมันหยาบเกินไปที่จะอธิบายสิ่งนั้นพูดปุ๊บมันไม่ใช่ธรรมะแล้วมันเป็นภาษาธรรมะไม่มีธรรมะไอ้ที่ไม่มีธรรมะนั่นแหละคือตัวธรรมะปัจจุบันถ่ายทอดไม่มีธรรมะแล้วจะมีธรรมะได้อย่างไรไม่ไม่มีธรรมะเพราะอะไรเพราะมีถูกมีผิดมีดีมีชั่ว มีธรรมะเป็นดุนๆุนตายตัวอย่างนี้นะมันไม่ใช่ธรรมะมันเป็นแค่สมมุติผู้เจ้าใช้ภาษามนุษย์มาบอกเราว่าท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราตถาคตที่พระครูบอกว่าถ้าใครเข้าไปถึงไปเห็นธรรมแล้วเนี่ยเราจะเลิกนับถือพระเจ้าเราจะบูชาท่าน เราจะเห็นผู้ที่เจ้าแล้วเราจะเข้าใจพระองค์ก็เหมือนหมอเป่าเมื่อกี้บอกว่าพระครูที่พระครูพูดมาตั้งนานปฏิบัติมาแล้วเนี่ยเข้าใจเข้าใจเหลือตัวเดียวยังไม่เข้าใจไอ้คำว่าระเบิดระเบิดมันระเบิดยังไงบอกคุณหมอทำให้มันระเบิดแล้วคุณหมอจะเข้าใจคำตอบคือ zeigt, ทำให้มันระเบิดอธิบายยังไงก็ไม่ได้ เห็นไหมมันต้องเข้าไปสัมผัสเองต้องสัมผัสด้วยตัวเราถึงจะเป็นความจริงแต่ถ้าเราเอาความจริงที่เราสัมผัสมาพูดปุ๊บกลายเป็นความเห็นแล้วก็พูดได้แค่พูดอย่าเป็นหลงสภาวะาธรรมนะไปบอกคนอื่นว่าฉันบนรรลุธรรมแล้วเนะี่ยคนบนรรลุจริงๆเขาไม่พูดอันนั้นบนรบนรบรรลุอีกแค่หนึง่งถ้าบรรลุจริงๆไม่พูดไม่ต้องพูดเพราะมันไม่สิ่งที่ว่าต้องไปโอ้อวดกัน เพียะแต่เล่าประสบการณ์ให้ฟังมาเออแล้วปฏิบัติแล้วเราจากมันทุกเราไม่ทุกเอออย่าไปพูดเรื่องสภาวะนั้นนะพูดไม่ได้พอพูดปุ๊บจากความจริงกลายเป็นความเห็นนะรู้จักประมาณคือทางสายกลางนะคือพอดีคือพอเพียงทีนี้พอดีของแต่ละคนไม่เท่ากันเราต้องรู้ความพอดีของเรา บางคนจะมุ่งมั่นปฏิบัติจนเอาเป็นเอาตายทรมานสังขารเนี่ยไม่ใช่ทางสายกลางนะไปนั่งทับตัวเองวันหนึ่งส0บยชั่วโมงเพื่อให้มันเกิดเวทนาอันนั้นเป็นทุกกิริยาผู้เจ้าลองมาแล้วเนี่ยมันไม่สําเร็จมไม่ใช่ทางสายกลางกายเวทนาจะลบไปด้วยกันกายภาพไม่ต้องดูแลเขาตามอัตภาพเหมือนเราใช้รถยนต์คันนี้เนี่ยเราต้องดูแลเขาไม่ใช่ใช้เขาแบบสมบุกสมบันมันไม่ใช่ความเพียรชอบ มันเป็นความอยากนะทำไมต้องเคลื่อนไหวนี่คือคําตอบไลยกายเวทนาจิตธรรมไปด้วยกันไม่ใช่เป็นนั่งทับมันอยู่นั้นเอาแค่เอาเรื่องจิตอย่างเดียวทรมานสังขารอนะมันไม่ใช่ทางสายกลางนะข้อห้าอยู่ในสถานที่สงัดคําว่าสงัดในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เงียบนะไปอยู่ในป่าคนเดียวเนี่ยเงียบมากเลยนั่งปุ๊บ คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ดินทาคนนั้นคนนี้มันไม่สงบเนาะต้องเข้าไปในจิตไม่ยุ่งกับสมองนั่นล่ละสถานที่สงบที่สุดเสียงดังๆเนี่ยที่เราดังๆเนี่ยเสียงอึกกระทึกคึกโครมไม่ใช่ที่มาของความไม่สงบความไม่สงบเกิดขึ้นจากอารมณ์และท่าทีที่เรามีกับมัน เราไปเข้าใจว่าสงบขึ้เงียบสงบเงียบเป็นสภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่เกี่ยวกับจิตจิตต้องสงบนิ่งนิ่งไม่ได้อยู่เฉยๆเหมือนตอไม้ถ้านเหมือนตอไม้เนี่ยถ้านิ่งเหมือนตอไม้มันก็บรรลุธรรมหมดแล้วไอ้ตอไม้เป็นอหรหันต์หมดแล้วนิ่งอยู่กับการเคลื่อนไหวอริยบทสี่ทุกๆอริยบทชีวิตเรามันต้องเคลื่อนไหวแต่นิ่งอยู่กับมันนิ่งคือเป็นหนึ่งเดียวกับมันนะ คำว่าภาษานี่เราจะติดบ่วงนะมีครูบาอาจารย์มาแลกเปลี่ยนกับพรกครูว่าพวะครูก็นี่มนุษย์พาอาจารย์ช่วยชี้แนะหน่อยนะท่านก็นั่งดูก็บอกว่าข้อแรกก็สกปรกแล้วไม่สํารวมเห็นไหมเต้นแรงเต้นกาเหมือนลิงเลยไม่สํารวมสํารวมไปว่าอะไรสํารวมไม่ได้ไปว่าเรียบร้อยหรือมีมารยาท สำรวมระวังสำรวมอินทรีย์ไม่เบี่ยปีนตัวเองและผู้อื่นถามว่าเขาเต้นเป็นเขาไปตีหัวใครเหรอเขากำลังสำรวมในการสำลอกกรรมเขาในการเจริญกรรมฐานของเขาแล้วไปติดเรื่องภาษาติดเรื่องรูปแบบไงชายคนหนึ่งเดินมาแต่งชุดเป็นแสนแต่งสูรนะผ้าชั้นหนึ่ง เดินแบบผู้ดีเห็นสตีท่านหนึ่งตกน้ำเฮ้ย hey, ฉันไม่ยุ่งเดี๋ยวจะไม่สำรวมเดินไปฆ่าสัตว์แล้วนะฆ่าสัตว์แล้วเห็นไม่ช่วยชีวิตไปเห็นกระเป๋าสตังค์ใครตกเก็บขึ้นมาอย่างผู้ดีเก็บในกระเป๋าเดินไปอย่างผู้ดีอย่างมารยาทกลับบ้าน ไม่สำรวมอย่างยิ่งอีกคนนึงวิ่งมาเหมือนลิงเลยนะเห็นสตีตกน้ำโดดเข้าไปช่วยเขาเห็นหวิ่งไปเห็นกระเป๋าตังค์เขาตกวิ่งเอาไปคืนเจ้าของเขาเหมือนลิงเลยคนนี้สำรวมมากเราต้องมองเขาไปในเจตนาของจิตไม่ใช่ไภาพลักษณ์ข้างนอกมาแกล้งขังกันนะมาแสดงอาการหลอกกันฉันก็หลอกเธอเธอก็หลอกฉัน เอาวิดีโอมาถ่ายอยู่นิ่งมากเลยพอแก้วแตกไปหนึ่งปึ้งวีนเลยว่าโกรธมากเลยคนนี้ไม่สำรวมไม่สำรวมระวังเมื่อกี้พระอาจารย์แสดงเห็นไหมดีมากเพราะครูพระอาจารย์แสดงดีมากให้เห็นเป็นลูกประธรรมเห็นไหมถ้ามันดังปั้งตกใจเลยเห็นไหมเราไม่สำรวมระวังเห็นไหม ตอนนี้ฟ้าผ่าลงมาก็ตกจิตไม่ตกใจมันไม่เกี่ยวกับใจแล้วเวทนาเกิดขึ้นที่ใจมันตกจิตมันไม่ตกใจแรกๆเราต้องสำรวมระวังก่อนเมื่อจิตมันแข็งแกร่งแล้วเนี่ยไม่ต้องระวังไม่ต้องใช้สติไม่ต้องอะไรทั้งนั้นมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันไม่ต้องคิด เพราะมันไม่มีอนาคตมันไม่มีความอยากแล้วมันเหตุอะไรต้องคิดที่เราคิดเพราะเรามีอนาคตเราต้องคิดวางแผนคิดบวกนั่นแหละตัวดีนะมีคนถามพ่อครูมาเร็วนี้มีมมคําถามเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนที่พ่อครูบอกว่าพ่อครูบอกทั้งฟังทั้งหมดนะพ่อครูไม่ได้ส่งเสริมคิดลบนะนะ คิดลบคิดบวกก็พระอาจารย์พุทธทาสพูดแรงๆหน่อยถ้าเป็นพระผู้ใหญ่ท่านพูดได้น ะ, ะก็จันไยเหมือนกันนั่นแหละติดดีติดชั่วก็จันไยเหมือนกันนะแต่พราะครูบอกว่าไอ้คิดลบเนี่ยมันก็ยังดีกว่าคิดบวกคือมันเผื่อขาดเผื่อเหลือไงเขายกตัว อ, อย่างว่าไอ้นักมวยคนนี้ว่ากูแพ้แน่ๆล่ะเขาบอกว่าพลังพลังลบมันมันมันแทรกทําให้เราแฟด ไอ้ น, นี่คิดบวกกูชนะแน่ๆเลยกูต้องชนะกูชนะสร้างจินตนาการสร้างอุปทานขึ้นมาเนี่ยเขาบอกตอนนี้สอนปลูกยักษ์ปลุกยักษ์เห็นไหมปลูกยักษ์ปลูกยักษ์ปลุกอารมณ์ขึ้นมากูชนะแน่คิดบวกสร้างปลูกยักษ์แล้วตอนนี้เป็นยังไงสังคมเนี่ยเป็นยักษ์หมดเลยทุกคนก็คิดบวกเอายักษ์สู้กันไม่ใช่คนแล้วนะถ้าคนยังมีเมตตานะ ตอนนี้ยักษ์ไม่มีหละกูเอาลูกแบบทุกแบบเลยตอนนี้ยักษ์สู้กันทีนี้บังเอิญชกไปชกมาไอคนมันที่บอกว่าคิดลบนะมันแพ้มันก็เฉยๆนะเพราะมันเผื่อใจไว้แล้วไงแต่คิดบวกบังเอิญไปเจอหมัดน็อกเข้ามาน็อกขึ้นมานั่นบางทีฆ่าตัวตายด้วยนะเพราะกูชัชณะแต่กูแพ้แต่เขาก็บอกว่าก็คิดบวกใหม่ วันหลังก็มีอยู่อย่างนี้นะมึงคิดบวกไปจนตายเหรอมึงก็แพ้เหมือนกันถือบอกว่าทาไมต้องคิดล่ะเรามีหน้าที่ชกเราก็ชกอย่างอย่างอย่างซื่อสัตย์ตั้งมั่นอย่างชกส่วนแพ้ชนะเนี่ยมันคือมาดวัดว่าเออมันเก่งกว่าเราเราเราเรากระสุดสูญมันก็แค่ยนั้นจบถ้าในทางธรรมะนะแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเรายอมแพ้คนเพื่อชนะกิเลสดีกว่าแพ้กิเลสเพื่อชนะคน เราเป็นภาพผู้ให้แล้วเขาว่าเราไม่เก่งก็าช่างหัวมันเนี่ยเราก็ให้มันชนะมันดีใจเราเป็นผู้ให้ถ้าอย่างนี้จิตวิญญาณนะแต่ทางโลกบอกได้ไงได้ไงแพ้คือคนโง่มันก็เลงพอชกชนะแล้วยกมือขึ้นชนะเกือบตายเหมือนกันแพ้ก็เจ็บชนะก็เจ็บนะเมื่อยี่สิบหกปีก่อนพวอครูมาในหมู่บ้านนี้ พ่อครูก็เข้าไปดูแลในหมู่บ้านนะวัดเขาขาดสาลายัางสร้างไม่เสร็จบอกขาดเงินพ่อคูจาไม่ได้กี่แสนพ่อคูบอกเดี๋ยวพระป่ามาให้แต่ขออย่างเดียวใช่ไหมไม่ต้องมีเล่าได้ไหมไม่ต้องหักค่าใช้จ่ายนะพ่อคูเลี้ยงคนทั้งตำบลเลยวันนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หญิงนะฟ้อนําบอกว่าโอ้โหเกิดมาไม่เคยรู้เลยว่าไม่ต้องเมาก็สนุกได้ แต่พวกขี้เล่ากัดฟันมันกอดกัดไว้โกรธพ่อครูตอนนั้นพ่อครูเพียวมากนะให้พ่อครูขึ้นไปพูดพ่อครูพูดหลายเรื่องบอกว่าอาหารการมากบอกในโลกนี้ไม่มีใครชนะพ่อครูได้แล้วพวกนักเลงมองหน้าพ่อครูทำไมไม่รู้จิตเขาคิดยังไงไม่มีใครชนะพ่อครูได้จริงๆพ่อคุกพครูไม่ยอมสู้กับใคร มันชนะเราได้ไหมก็เราไม่สู้กับมันมันชนะเราได้หรือเปล่าเราเรายอมแพ้คนเพื่อชนะกิเลสเราดีกว่าแพ้กิเลสเพื่อชนะคนนั่นแหละแพ้เป็นพระชนะเป็นมารคนทางโลกได้ยังไงแพ้โง่งจะเป็นพระได้ยังไงเป็นพระผู้ให้แลวเราชนะกิเลสเรานั่นแหละคือการพ้นทุกข์ นะถ้าเกิดเราไม่ตั้งมั่นนะเราสู้กิเลสเราไม่ได้หรอกพก่อครูเข้าใจกิเลสพ่อครูสี่สิบปีวิ่งไปตามโลกไม่ได้น้อยกว่าใครนะถ้าไม่เจอสิ่งนี้พ่อคูยังงมเข็มในมหาสมุทรนะก็เน้นเรื่องนี้ <S <S ก็เมื่อกี้นี่ หลักการสามอุดมการสี่วิธีการหสรุปคือไม่สร้างวัจีกรรมไม่สร้างกายกรรมอยู่ในมัดในทางโดยยึดหลักทางสายกลางเลือกสถานที่คําว่าสัปเพะคือมีอยู่มีกินไม่เดือดร้อนไม่ต้องกังวลอะไรนะแล้วก็เข้าไปที่อั น, นิีสัพเพะเพิงเบื้องต้นแล้วก็เข้าไปในที่สงกัดจริงๆก็คือในจิตเรานั่นแหะตัวสงกัดจริงๆ ฝึกเจริญภาวนาให้เกิดความสงบเพื่อพ้นทุกหน้าที่เรามีอยู่แค่นั้นไม่สับสนไม่วุ่นวายทีนี้สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการบอกให้รู้และหลายหลายคนก็รู้แล้วเพียงแต่ยังไม่ลงมือปฏิบัติจริงพระพุทธองค์มีหน้าที่บอกให้เรารู้ แต่เรามีหน้าที่ปฏิบัติให้เข้าถึงไม่ใช่ไปอวดรู้กันไปจำมาทะเลาะกันไม่มีสาระอะไรเสียเวลาชีวิตนะเพราะครูเคยไปเห็นข้อมูลหนึ่งอันนี้เคยพูดไปเมื่อปีก่อนนะก็ลือฟื้นหนีนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันเกิดเรื่องในเมืองไทยเราเรื่องศาสนามากมายนะพวกเราพุทธศานิกชนชะล่าใจ ไม่มีงานทำก็มัวจะทะเลาะกันแต่ศาสนาพระผู้เจ้าไม่ได้สอนให้เราไปแข่งกับศาสนาใดๆทั้งนั้นแต่ไอตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันเป็นทำให้เราเห็นความจริงอะไรบางอย่างนะก็ผลสำรวจขององค์กรที่ชื่อว่า PEW เนี่ย Pew เนี่ยนะเมื่อปี2010นะเขาทำวิจัยจากคนทั้งโลกนี้ 6,000 872ล้านคนคนที่นับถือศาสนาคริสต์มีอยู่ประมาณ 2,200 ล้านคนอิสลาม 2,200 ล้านคนก็ประมาณหนึ่งในสของคนทั้งโลกอิสลาม 1,600 ล้านคนก็ประมาณหนึ่งในสข้อที่สมเนี่ย คนที่ไล้ศาสนาไม่นับถือศาสนาเลยเนี่ยมาเป็นที่สามนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านคนข้อที่สี่ศาสนาที่สี่คือฮินดูมีคนนับถือหนึ่งพันล้านคนหนึ่งในเจ็ดหนึ่งในหกว่าธรรมดามีสี่ศาสนาใหญ่ๆนะแต่ศาสนาพุทธเราตกไปอยู่ที่ห้า มีคนนับถืออยู่แค่ห้าร้อยล้านคนอย่าคิดว่าเรายิ่งใหญ่นะจริงๆผู้เจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะประกาศศาสนาจันลงศาสนาประกาศมาจนถึงทุกวันนี้สารวันเตี้ยลงแล้วพว่อครูนี่จจำได้เมื่อ26กปีก่อนกลับมาจากอเมริกามาเมืองไทยนั้นตอนนั้นน่พุทธศาสนิกชนที่นับถือพุทธในเมืองไทยเรา 97% ้านับถือศาสนาอื่นๆแล้วรวมแล้ว 3% เปอร์ซแต่ประกาศศาสนาไปประกาศศาสนามาเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขออกมาเหลืออยู่แ5ดบ้าซมันสะท้อนให้เห็นอะไรเราวัวรจะอนุรักษ์รูปแบบที่เราเคยชินโดยไม่ลืมหูลืมตาว่าโลกมันเปลี่ยน ไม่ใช่ว่าจะไปแข่งศาสนาอื่นไปดึงเขามานับถือศาสนาเราฝันกลางวันเอาแค่เราดูแลลูกหลานเราเนาี่ยอย่าหลุดนะให้มันจริรุงศาสนาต่อไปเราก็เอาไม่อยู่เลยใช่ไหมมันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์จากเก้าสิบเจ็ดเหลืออยู่แปดสิบห้าเพราะเรานับถือศาสนาเป็นแค่ประเพณีเป็นแค่วัฒนธรรมพุทธเรามีห้าร้อยล้านคนและดำบัดลาดับหกคนที่นับถือธรรมชาติ ยกตัวอย่างว่าพระจันทร์เลยพระอาทิตย์เลยเหมือนพวกอินเดแดงเนี่ยเาวาพระอาทิตย์อะไรเนี่ยนะพวกถือผีถือสางถือเทพสี่ร้อยล้านคนเกือบจะแซงพุทธแล้วนะตอนนี้ในกลุ่มนี้เนี่ยคนพุทธเองเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งก็ไปทางนี้ถือเทพถือผีถือสางนะถือเครื่องรางของขัง แล้วก็ลำดับที่เจ็ศาสนาเล็กๆอย่างพวกาศาสนาบาไฮเต๋าชินโตซิกรวมกันแล้วอยู่ประมาณห้าสิบแดล้านคนอันที่8ยดยมาอันดับสุดท้ายส4บสี่ล้านคนแต่ตอนนี้อิทธิพลเขาเยอะที่สุดคนยูอยู่ในอเมริกาเนี่ยกลุ่ม อำนาจทั้งหมดนะแล้วก็ลัทธิศา ส, สนาขัดแย้งกันอย่างยิวอิสราเอลกับปาเลสไตน์กำลังข้าหันกันอยู่เนะี่ยก็เนื่องจากว่าความเชื่อไม่เหมือนกันนะจริงๆแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้เนะี่ยจะเป็นว่าอิสราเอลฆ่าปาเลสไตน์เพราะเธอจะมายิงฉันก่อนปาเลสไตน์ฆ่าอิสราเอล เพราะเธอมายิงฉันก่อนเธอฆ่าพ่อฉันฉันฆ่าพ่อเธอถามว่าเมื่อไหร่จะหยุดไม่มีทางแค้นนี้ต้องชําระตายแล้วไม่จบนะไอดวงจิตที่มันตายแล้วก็แบกพยาบาทนี้ข้ามคบข้ามชาติมายกตัวอย่างว่าในชาตินี้เราเจอในกอเนี่ยถูกชะตามากเจอในขอหม่นไสเพราะอะไรนั่นแหะคือจิตที่พยาบาทถ้าเราไม่ล้างมันออกนะเราแบกข้ามคบข้ามชาติที่นี้วิธีแก้เป็นยังไง อิสราเววเวียงทิ้งปาเสไเหวียงทิ้งเวียงความยึดมั่นถือมั่นทิ้งอภัยทานถ้าฟังพระเจ้ามีอย่างเดียวเท่านั้นที่ยุติเมืองไทยเหมือนกันก็มันผิดไงฉันถูกไงเอา้าถ้าไม่มีคนผิดเธอจะให้อภัยใครก็มันผิดไงค่อยให้อภัยสิใครให้อภัยก่อนคนนั้นได้เต็มๆ เ, เลยที่ท่านกล่าวไว้เป็น เป็นไวยะคล้ายๆว่าวัตถุทานเนี่ยเราหาเงินแทบแย่เรียนแทบแย่กว่าจะได้วิชาเอาวิชาไปหาเงินหยาดเหงื่อแรงงานเท่าไหร่ได้เงินมายังบุษบา์แบ่งปันส่วนหนึ่งไปทําบุญไปทําวัตถุทานนะได้อานิสงส์นะเหมือนเราขัดเก่าความโลภออกไปนิดหนึ่งนะก็ได้ประโยชน์ต้องฝึกบ่อยๆนะเพราะเราโลภมากเราก็ต้องเราต้องให้ให้ให้ใหวัตถุทานเยอะ นะมันจะลดความโลภแต่บังเอิญว่าอา้าวทำบุญกับพระพุทธเจ้าร้อยหนึ่งสาทุให้ถูกระวันที่หนึ่งอันนี้ขากกำไรเกินควรแล้วนะอันนี้ไม่ใช่ทำบุญนะนะเราขัดไปปุ๊บสิบเสาธุถูกระวันที่หนึ่งเข้ามาอีกเก้าสิบเซนี่ยขาดทุนไปแปดสิบนะทำบุญทำทานบุญเกิดจากการให้ทานคือจาคะคือสลัดออก ทานก็มีวัตถุทานนะสมมติว่าวัตถุทานนี่ได้สิบเปอร์ซแต่สู้ให้ธรรมทานธรรมทานเนี่ยได้เยอะกว่านะอย่างพวกครูกาลังให้ธรรมทานพูดครั้งเดียวนะถ้าออกย t u b e ด้วยไปทั่วโลกนะคนเป็นกี่ล้านคนฟังก็ไม่รู้เห็นไหมมันเกิดอันนี้ส่งมากในวงกว้างแต่ผู้ให้เนี่ยได้มากกว่าวัตถุทานเพราะ ถ้าทำไมได้มากกว่าไม่ได้เสียเงินสักบาทหนึ่งเอาเปรียบหรือเปล่าความรู้นั้นมีคุณค่ามากกว่าวัตถุสมมติว่าเราไปค้นพบเราวิจัยนักวิทยาศาสตร์ค้นพบโอ้สิ่งหนึ่งมหาสารมากมันกล้าบอกคนอื่นไหมเรื่องอะไรไปลิขสิทธิ์ไอความรู้นั่นก็เป็นเงินไงยิ่งกว่าเงินอีกทุกวันนี้ให้กันไม่ได้แต่ผู้เจ้าไม่ได้ขี้เหนียว พระองค์ให้ให้ให้เนี่ยการให้ทำเป็นทานยิ่งกว่าการให้ทั้งปวงค ำ, คำพูดนี้เนี่ยหมายความว่าอา น, นิสงส์มันเกิดขึ้นในวงกว้างมากกว่าวัตถุทานมากกว่าอภัยทานในแง่อานินนนนสงส์เกิดขึ้นวงกว้างแต่คนที่ให้เนี่ยเพราะเราไม่ขี้เหนียวความรู้เราเนี่ยสมมติเ ร, เราได้ 30% บวกกับวัตถุทานที่เราให้บวกเป็นสี่สิบยังไม่ถึงครึ่งนะการให้ธรรมทานเนี่ยเป็นร้อยครั้งพันครั้งสู้การให้อภัยทานครั้งเดียวไม่ได้ให้คนเดียวเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นนะคือมันเกิดอ น, นิสงคนนั้นเออเราไม่ฆ่ามันไม่ตีมันแล้ว มันก็ลอดไปได้คนเดียวทำไมเราได้คนที่ให้ได้อั น, นิสงฆ์มากกว่าธรรมทานกับวัตถุทานมันเหมือนเรายกภูเขาออกจา ก, กยกยกจะอย่างในกอเราทะเลาะกันเราบอกแค้นนี่ต้องชำระสิบปียังไม่สายผ่านไปเก้าปีสิบเอดเดือนยี่สิบเก้าวันนะพอจะนอนหลับคิดถึงมันอีกวินขึ้นมาอีกต่อวีซ่าไปอีกสิปีแบกภูเขายุดนั้นแหละ ตายแล้วไม่จบนะตายแล้วไปเผากลายเป็นอากาศธาตุที่เหลือเป็นธาตุดินแต่ไอ้กรรมที่เราบันทึกไว้นี่ธรรมชาติบอกอย่าขากำไรเกินควรกี่พันองศา ก, ก็เผาไม่ได้ข้ามภพข้ามชาติถ้าเราให้อภัยทานมันบางทีมันไม่รู้เรื่องกับเราเลยไม่ได้อะไรเลยนะแต่เราได้ยกภูเขาออกจากอกแล้วก็นอนหลับฝันดีได้อา น, นิสงส์มากที่สุดในแง่ผู้ให้ แต่ทุกวันนี้เราให้กันได้ไหมอย่าว่าจะศัตรูเลยให้ไม่ได้แม้กระทั่งคนรักกันพูดไม่ถูกใจหน่อยหนึ่งสามวันไม่มองหน้ากันพ้องอนเออก็แบกไปซะสนุกดีเนาะก็ให้ทุกคนเข้าใจนะชีวิตเราทำเล่นไม่ได้นะก็จริงๆแล้วก็ได้ได้เวลาพอสมควรนะก็เอา ธรรมดามีกระดาษใบหนึ่งพุกยื่นให้พ่อครูเมื่อตอนบ่ายนั้นน่ะก็ไม่ลบกวนเวลาดีกว่าพอพอแค่นี้นะทุกคนจะได้ปฏิบัติอีกสักชั่วโมงหนึ่งก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศีรัตนาไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบารมีที่ได้ร่วมกันพึ่งปฎิบัติมา ได้คุ้มครองทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทิน